การปฏิบัติธรรมการเจริญจิตตภาวนาถ้าต้องการจะให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต้องเจริญอย่างต่อเนื่องเพราะเวลาใดที่ไม่ได้เจริญเวลาใดที่ไม่ได้ปฏิบัติ เวลานั้นก็จะเป็นเวลาของคู่ต่อสู้ของข้าศึกศัตรูเราถ้าต้องการที่จะทําลายข้าศึกศัตรูคู่ต่อสู้ที่เป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพานเราก็จําเป็นที่จะต้อง ต่อสู้ทำลายข่าศึกสัตวัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาเวลาใดที่เราไม่ได้ปฏิบัติเวลาใดที่เราไม่ได้เจริญจิตตภาวนาคือเวลาใดที่เราไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญ สมาธิไม่ได้เจริญปัญญาเวลานั้นก็จะเป็นเวลาของข้าศึกศัตรูปฏิบัติการของข้าศึกศัตรูถ้าเราไม่มีสติใจเราก็จะลอยใจเราก็จะคิดไปตามกำลังของอวิชชาปัจจ ย, ยาสังขาร คิดไปในทางกิเลตตันหาคิดไปในทางพ้งซ่านคิดไปในทางความทุกข์นะแต่เวลาใดที่เราได้เจริญสติหรือได้เข้าไปในสมาธิหรือถ้าไม่ได้อยู่ในสมาธิออกมาจากสมาธิได้เจริญปัญญา เวลานั้นก็ถือว่าเป็นเวลาที่เรากำลังปฏิบัติกำลังเจริญจิตตภาวนาดังนั้นขอให้เราเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องส่วนศีลนี้ก็เป็นเรื่องที่ เป็นพื้นฐานของจิตใจของผู้ปฏิบัติอยู่แล้วผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติเจริญสติสมาธิปัญญาก็จะไม่มีเวลาที่จะไปทำผิดศีลอยู่จึงไม่ได้พูดถึงมากนะเพราะว่าเป็นส่วนที่มีควบคู่ไปกับการเจริญจิตตภาวนา ส่วนเรื่องการทำทานนี้ก็ควรที่จะแยกออกไปจากการเจริญภนะาวนาถ้าจะทำทานก็ทำให้มันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ไปเลยคือให้มันหมดเรื่องหมดราวเกี่ยวกับเรื่องทานไปเลย มีอะไรที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้มีอะไรที่เรายกให้คนเดินได้ก็ยกให้เขาไปเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาวุ่นกับการทําทานในขณะที่เราปฏิบัติธรรมในขณะที่เราเจะเิญจิตตภาวนาเพราะไม่เช่นนั้นมันจะไม่ได้เจริญจิตตภาวนาเวลาที่มา ทำทานเวลาทําฐานก็จะต้องใช้ความคิดไปเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็อาจจะทําให้ไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้เจริญสติไม่มีเวลาที่จะเข้าไปในสมาธิได้ที่พูดถึงนี้หมายถึงผู้ที่ไม่มีปัญหาหรือไม่มี ความเกี่ยวข้องกับการทำทานแล้วเช่นนักบวชทั้งหลายผู้ที่ได้สระทรัพสมบัติข้าวของเงินทองสละเพศของคาลวะไปแล้วก็จะไม่มีภาระเกี่ยวกับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองหรือ ทำบุญทำทานกับเงินทองที่หามาได้ก็จะมีแต่การรักษาศีลคือกายวาจะให้เป็นปกติแล้วก็มาควบคุมใจให้สงบด้วยการเจริญสติด้วยการเข้าไปในสมาธิ ด้วยการเจริญปัญญาดังนั้นพื้นฐานของการปฏิบัติในขั้นแรกก็อยู่ที่การเจริญสติต้องเจริญสติให้มากถ้ายังไม่มีสมาธิเพราะว่าสมาธินี้จะเกิดได้จากการมีสติส่วนปัญญาถึงแม้จะมี แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาที่จะเป็นอาวุธที่จะทําลายข้าศึกสัตรูได้เรียกว่าเป็นปัญญาระดับสุตมยปัญญาและจินตามยะปัญญาสุตมยะปัญญาก็คือปัญญาที่ได้รับจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า สินตามายาปัญญาก็คือการได้ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆ เ, เช่นทรงสอนให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายควานความพัดผ้าจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปอยู่เนืองๆปัญญาแบบนี้ยังไม่มีกําลังพอที่จะ ทำลายข้าศึกษัตรูคือกิเลตตัณหาโมหะอวิชชาให้ตายไปได้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเป็นปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาถ้าเป็นภาวนามยปัญญานี้ก็จะสามารถทำลายข้าศึกษัตรูได้อย่างท้าวอน ภาวนาก็คือส ม, มถาภาวนานี่เองที่เรียกว่าภาวนาไมายะปัญญาก็คือปัญญาที่มีส ม, มถาภาวนาเป็นผู้เป็นคู่มือเป็นผู้ให้กำลังเป็นผู้สนับสนุนดังนั้นผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาจึง มองข้ามการเจริญสมถะภาวนาไปไม่ได้ถ้ามีเป้าหมายในการทำลายกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดไปจากใจจำเป็นที่จะต้องมีทั้งสมถะภาวนาและปัญญาคือวิปัสสนาภาวนาควบคู่กันไปสนับสนุนกัน ถึงจะเรียกว่ามีภาวนามยปัญญาแต่ก่อนที่จะมีสมถาภาวนาได้มีความสงบมีสมาธิได้ก็จำเป็นจะต้องมีสติก่อนเพราะสตินี้เป็นเหตุเป็นผู้ที่จะเดิมใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่สมาธิ นั่นเองดังนั้นการปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานของนักปฏิบัติก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปจะไม่ให้มีการเผลอไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ดีหรือเรื่องราวที่ ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดีจะควบคุมจิตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักไม่ว่าร่างกายกำลังจะทำอะไรก็ให้เฝ้าดูจดจอดูการเคลื่อนไหวดูการกระทำของร่างกายเหมือนกับผู้ควบคุมนักโทษ เลาปล่อยให้นักโทษออกมาทํางานนอกคุกนอกตารางผู้ควบคุมนักโทษนี้จะต้องเฝ้าดูตลอดเวลาไม่ให้นักโทษนี้พลาดจากสายตาไปฉันใดผู้ที่ต้องการที่จะควบคุมจิตควบคุมความคิดไม่ให้คิดตลดเิดเปิดเปิงไปกับเรื่องราวต่งตางๆ ก็จำเป็นจะต้องดึงจิตให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่กับการกระทาของร่างกายเพราะถ้าต้องจดจ่อดูการเคลื่อนไหวดูการกระทาของร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้หรือถ้าว่ายังมีกําลังมาก สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็จำเป็นต้องใช้สติเอกเชือกอีกเส้นหนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธมาดึงให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นกำลังร่างกายกำลังทำอะไรแล้วเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ก็ให้ใช้การบริกรรมพุทโธ ควบคู่ไปกับการกระทำของร่างกายเช่นกำลังอาบน้ำแล้วเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ใช้พุทโธเดินกลับมาบิกด้วยคพุทโธพุทโธควบคู่ไปกับการอาบน้ำหรือถ้าจะหยุดการกระทาก่อนเพื่อที่จะเดินใจให้กลับมาก่อนก็ได้ เป็นกำลังอาบน้ำอยู่แต่ไม่ใจไม่ได้อยู่กับการอาบน้ำไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็ให้หยุดการอาบน้ำแล้วก็ตั้งสติใหม่เดินใจกลับมาให้อยู่กับการอาบน้ำใหม่นี่คือการควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้คิดใจคิดไปเรือเ่อยเป่ยเพราะว่า ความคิดนี้จะทำให้ใจไม่สงบใจจะสงบเป็นสมาธิได้นี้ต้องไม่คิดอะไรหรือคิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่คือขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติที่จาเป็นจะต้องเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังต้องทำภารกิจ การงานต่างๆพอไม่มีภารกิจที่จะต้องทำพอมีเวลาว่างก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้ต้องพยายามนั่งให้มากๆนั่งให้บ่อยๆพอไม่ต้องทำภารกิจทางร่างกายก็หยุดนั่งขัดสมาตั้งตัวให้ตรงหลับตา แล้วก็ใช้การดูลมหายใจเข้าเป็นเครื่องดึงใจให้เข้าสู่ความสงบการดูลมหายใจก็ไม่ต้องไปบังคับลมให้ดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่ปลายจมูกก็ได้หรือที่กลางอกก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชัดเจน ถ้ชัดเจนที่ปลายจมูกก็ให้เฝ้าดูอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าลมสัมผัสที่ปลายจมูกหายใจออกก็รู้ว่าลมสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้หายใจสั้นหรือหายใจยาวปล่อยให้เป็นเรื่องของลมไป เราใช้ลมเป็นที่ผูกใจดึงใจให้ยุติการคิดปรุงแต่งให้เข้าสู่ความสงบถ้าดูลมแล้วก็ยังไปแวบคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธขึ้นมาแทนก็ได้บางท่านเวลาเริ่มต้นนั่งใหม่ๆอาจจะไม่สามารถ นั่งดูลมได้เพราะความคิดยังคิดอยู่มากก็ให้ใช้การสวดมนต์บทใดบทหนึ่งไปพังพางก่อนก็ได้สวดไปจนกว่าใจจะรู้สึกเย็นสบายสงบหรือไม่อยากจะสวดก็หยุดสวดได้แล้วก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกต่อไป อันนี้ก็จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เวลานั่งใหม่ๆนี้ใจอาจจะยังมีความคิดมากเพราะไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดได้ในขณะที่ยังไม่ได้นั่งพอมานั่งเรื่องราวต่างๆมันก็ยังติดคาอยู่ในใจอยู่บางทีก็ต้องใช้การสวดมน ส่วนพะสูตรเพื่อให้นบล้างความคิดถึงเรื่องราวต่างๆไปพอสวดไปได้สักพักหนึ่งแล้วเรื่องราวต่างๆที่ใจคิดอยู่ก็จะจางหายไปใจก็จะว่างปราศจากความคิดอันนั้นก็สามารถใช้ การดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทธโธอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้ามีการมีสติต่อเนื่องอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับการ บ, บริกรรมพุทธโธไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกคตารม มีกามีสักแต่ว่ารู้เป็นอารมณ์มีอุเบกขาเป็นอารมณ์คือความว่างนั่นเองคือไม่มีอารมณ์อะไรมีแต่ความว่างมีแต่อุเบกขามีแต่สักแต่ว่ารู้หรือผู้รู้ปรากฏขึ้นมาเวลาได้เข้าสู่จุดนั้นแล้วก็เป็นเวลาที่ไม่ต้องทําอะไรเพราะตอนนั้น ความคิดก็จะหยุดทำงานกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาก็จะหยุดทำงานผู้รู้ก็จะปรากฏเด่นขึ้นมาให้เห็นก็อยู่กับผู้รู้ไปอยู่กับอุเบกขาไปจนกว่าผู้คิดเริ่มกลับเข้ามาทำงานต่อพอลรมีความคิดแล้วก็แสดงว่า จิตได้ถอนออกจากสมาธิแล้วพอถอนออกจากสมาธิมีความคิดแล้วก็ต้องเจริญสติต่อถ้ายัางเจริญปัญญาไม่เป็นก็ให้เจริญสติหรือว่ายัางไม่ชำนาญต่อการเข้าสมาธิเช่นเข้าเข้าได้ครั้งแรกแล้วพอออกมาเริ่มมีความคิดปรุงแต่ง ก็ยังไม่ต้องไปทางปัญญาก็ได้ให้ควบคุมความคิดต่อไปเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้เข้าไปในสมาธิให้จเจริญสติไปต่อเช่นบริกรรมพุทธโธไปหรือจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายใหม่ทำใหม่อีกรอบหนึ่งพอออกมาแล้วก็จเจริญสติต่อ แล้วพอมีเวลาที่จะนั่งได้ก็กลับเข้าไปนั่งต่อตอนที่ออกมานี้ก็อาจจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ได้ถ้าไม่มีภารกิจการงานที่ต้องทำถ้ามีภารกิจการงานที่ต้องทำก็ต้องทำด้วยสติมีสติคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาให้อยู่กับการกระทำของร่างกาย เช่นออกมาจากสมาธิก็ได้เวลาที่จะต้องทำความสะอาดปัดกวาดกวาดถูสาราหรือกุฏิที่อยู่อาศัยหรือซักเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตาม <s> ก็ต้องมีสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ถ้าไม่มีงานทำก็เดินจงกรมไปการเดินจงกรมนี้ก็มีผลทางร่างกายและทางจิตใจ ผลทางร่างกายก็คือช่วยผ่อนคลายความเจ็บเมื่อยของร่างกายที่เกิดจากการนั่ง น, งนานๆนั่งอยู่ในสมาธิพอนั่งไปแล้วร่างกายก็จะมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เพราะเลือดลมไม่มีโอกาสที่จะได้ไหลเวียนอย่างปกติก็จําเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมเพื่อเป็นการ คลายความเจ็บปวดเมื่อยของทางร่างกายอันนี้คือประโยชน์ทางร่างกายที่จะได้จากการเดินโงกบมส่วนประโยชน์ทางจิตใจก็คือการเจริญสติหรือการเจริญปัญญาถ้าเจริญสติก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่าง หรือจะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ก็ใช้การบริกรรมพุทโธไปเพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆจนกว่าจะรู้สึกเมื่อ ย, อยากจะนั่งก็หยุดเดินจงกรมแล้วก็กลับมานั่งสมาธิหมายต่อเข้าไปในสมาธิเหมือนครั้งที่เคยเข้าไปครั้งแรกถ้าทาอย่างนี้ เวลาเข้าสมาธิก็จะเข้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าสามารถเข้าในสมาธิได้อย่างรวดเร็วได้ทุกเวลาที่ต้องการก็ถือว่าเรามีความชำนาญในสมาธิแล้วเราก็ควรที่จะออกทางปัญญาได้แล้วถ้าพเวลาออกจากสมาธิมา ก็ให้ดึงความคิดนี้มาคิดในทางปัญญาความคิดในทางปัญญาคืออะไรก็คือให้คิดไปในตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายสิ่งต่างๆที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยมาสัมผัสรับรู้มาครอบครองเป็นสมบัติล้วนอยู่ภายใต้หลักของตายรักทั้มนั้นคือมีตายรักเป็น คุณสมบัติตายรักก็คือคุณลักษณะสามประการของสภาวธรรมทั้งหลายคือหนึ่งอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ถาวรสองทุกขังคือความทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะต้องทุกข์ขึ้นมาเพราะจะ ไม่ได้ดังที่ปรารถนาเพราะความปรารถนาความอยากของใจนั้นจะสวนทางกับความจริงคืออยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นนิจจังนั่นเองอยากจะให้สิ่งที่ไม่เทียทนนเท่ยงแท้แน่นอนให้เที่ยงแท้แน่นอนพอไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พันลักษณะที่สามของสิ่งต่างๆก็คืออนัตตาคือไม่เป็นของใครทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปของบางอย่างก็อาจจะควบคุมบังคับสั่งได้บางครั้งบางเวลา แต่มีบางครั้งบางเวลาที่จะไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งได้เขาจะเสื่อมเขาก็ต้องเสื่อมเขาจะเจริญเขาก็ต้องจเจริญไปยับยั้งเขาไม่ได้นี่คือคุณลักษณะสามประการที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไตรแปลว่าสามลักก็แปลว่าลักษณะนี่ ผู้ที่จะต้องการมีปัญญาที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายโมหะอวิชชากิเลสตัณหาก็จาเป็นจะต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมองเห็นตายลักในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาถ้าเห็นตายลักในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาก็จะไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พอเห็นว่าการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นการเอาความทุกข์มาใส่ตนโดยใช่เหตุผู้ที่จะหยุดความอยากไม่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วมีอุเบกขามีสมาธินี้เองถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาก็แสดงว่ามีความสุขในตัวแล้ว ไม่จาเป็นที่จะต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขแต่เนื่องจากไม่มีปัญญาก็ยังอาจจะถูกหลอกให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกความจริงอันนี้สมัยที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาผู้ที่ได้สมาธิได้ฌานกันแล้วก็ยังมีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทั้งๆ ท, งที่ถ้าไม่ได้อะไรมาก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีความสุขจากการมีฌานมีสมาธิอยู่แล้วแต่ไม่รู้กันก็ยังปรยาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นร่างกายอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่ถ้ารู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ก็หยุดความอยากนี้เสียความทุกข์ก็จะไม่เกิดอันนี้คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือความรู้ในอริยาศาสตร์สี่นี้รู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงอยากในสิ่งที่ไปควบคุมบังคับไม่ได้จึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอมีสติมีสมาธิมีปัญญามองเห็นความจริงว่า เราไม่ต้องไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็มีความสุขอยู่แล้วเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยการไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปทำไมเพราะอยากอย่างไรร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอย่างดีไม่มีใครไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ พอเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาก็ปล่อยวางได้หยุดความอยากได้เพราะว่าความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกับเรื่องของร่างกายแต่อย่างใด ร, ร่างกายก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายเหมือนเดิมแล้วเราไปทุกข์ทำไม ไปอยากทาไมนะผู้พิจารณาตายรักจะเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากไม่อยากต่อไปปล่อยให้ร่างกายแก่ไปปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปปล่อยให้ร่างกายตายไปแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะสบายเพราะร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายตายไปไม่ได้ทำให้ใจตายไปกับร่างกาย ร่างกายสูญสลายไปไม่ได้ทำให้ใจสูญสลายไปใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เป็นผู้รู้อยู่เหมือนเดิมเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดถ้าคิดด้วยความหลงก็ผลิตความทุกข์ให้กับใจถ้าคิดด้วยความจริงคิดด้วยธรรมะก็จะผลิตแต่ความสุขความสงบให้แก่ใจนี่คือคิดในทางปัญญา ผู้ที่คิดในทางปัญญาเห็นใจรักได้ก็จะหยุดความอยากได้ถ้ามีส ม, มถาภาวนาแล้วมีสมาธิแล้วแต่ถ้าไม่มีสมาธิอย่างพวกเราตอนนี้ที่กำฟังอยู่นี้ก็ยังหยุดความอยากไม่ได้พอเจอความแก่ก็อยากจะไม่แก่พอเจอความเจ็บก็อยากจะไม่เจ็บพอเจอความตายก็อยากจะไม่ตายอยู่ดีเพราะไม่มีกำลัง หนึ่งไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะไม่มีความสุขใจนั่นเองถ้าใจมีความสุขแล้วใจก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ เมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ายังมีความสุขยังหาความสุขได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขร่างกายจะอยู่หรือไม่อยู่จึงไม่เป็นประเด็นสำคัญอีกต่อไปสำหรับผู้ที่มีสมาธิมีความสงบแล้วพอพิจารณาเห็นว่าความยึด ติดความผูกพันกับร่างกายเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ตัดความผูกพันกับร่างกายนั้นไปเท่านั้นเองแล้วใจก็สบายไม่ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรก็จะไม่เป็นปัญหากับใจต่อไปนี่คือขั้นของปัญญาลองพิจารณาตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกาย ดการนี้ถึงแต่ยกตัวอยา่างถ้าเรายังมีความผูกพันกับสิ่งใดเราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นว่าเป็นตายรักให้ได้แล้วเราจะปล่อยวางได้เราจะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นได้เช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้าเราพิจารณาว่าเป็นตายรักเราก็จะ ปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้จะหมดไปวันนี้หรือไม่หมดไปวันนี้ก็รับได้ไม่ไปเพราะว่าไม่ได้อาศัยเงินทองเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขอีกแล้วถ้าจะใช้เป็นเครื่องมือก็สำหรับการดูแลรักษาร่างกายไปวันๆนหนึ่งด้วยปัจจัยสี่ แต่ถ้าดูแลรักษาร่างกายไม่ได้ต้องสูญเสียร่างกายไปก็ไม่เป็นปัญหาอีกเหมือนกันเพราะใจก็ไม่ได้เพึ่งร่างกายอีกแล้วสาหรับ ก, การหาความสุขใจหาความสุขได้จากการเจริญสติจากการเข้าสมาธิดังนั้นร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่เป็นปัญหายศธาบรรดาศักการจะมีตาแหน่ง ท่านนั้นขั้นนี้หรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาใครจะตั้งให้เป็นอะไรหรือไม่ตั้งให้เป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใครจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ต้องหาความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายเพราะความสุขที่มีอยู่นี้มันมีคุณค่ามีน้ําหนักมากกว่าความสุขที่ได้จาก การดูการฟังการดืม่มการรับประทานดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะไม่มีคุณค่าราคาหรือมีความสำคัญกับจิตของผู้ที่มีความสงบนะความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีร่างกายที่จะ ใช้หาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ภายในใจนี้แล้วคือความสงบแต่ถ้ายังมีความหลงที่จะมาหลอกให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ปัญญามามาแก้ความหลงนี้ นี่คือเหตุผลที่ทาไมยังต้องจเจริญปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วหลังจากที่ได้ความสงบได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้แล้วเพราะว่าเวลาออกมาความหลงนี้ยังไม่ตายก็จะออกมาหลอกให้ไปรักไปหวงไปห่วงสิ่งนั้นสิ่ง น, นี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ จึงจำเป็นต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักพอเห็นว่าเป็นตายรักแล้วก็จะปล่อยได้จะไม่ห่วงจะไม่ห่วงพอรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ห่วงอย่างไรห่วงอย่างไรก็ตายอยู่ดีต้องจากกันอยู่ดีพอไม่มีความหลงแล้วก็จะไม่มีความหวงไม่มีความห่วงไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้อง ใช้ปัญญาอีกต่อไปเพราะปัญญาก็มีไว้ใช้เพื่อแก้ความหลงนีง้พอไม่มีความหลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้อะไรเหมือนกับปมที่ถูกมีคนผูกเชือกเป็นปมหลายปมหลายชั้นพอแกะปมแต่ละปมออกไปจนหมดจนเหลือเป็นกายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเชือกเส้นเดียวก็ไม่มีปมให้เหลือให้แกะแล้ว ก็ไม่ต้องไปแกะอะไรพอไม่มีความหลงที่จะไปยึดไปติดไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัญญาก็ไม่มีงานทํำแล้วท่านถึงเรียกว่าวุตสิตังพรหมจรรราริยงการกิจของพรหมจันท ร, ร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้วของผู้ที่ทรงศีลของผู้ที่ปฏิบัติธรรมพรมจันท ร, ร์ก็คือผู้ที่ถือศีลพรมจรรันทร์คือนักบวชทั้งหลายนี่ ตอนละกิจของนักบวชได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อโมหะความหลงหรืออวิชชาความไม่รู้ความจริงได้ถูกทําลายไปหมดแล้วพอไม่มีโมหะไม่มีอวิชชาก็จะไม่มีกิเลสตัณหาพอไม่มีกิเลสตัณหาก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะมีแต่ปารมังสุขถังมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลานาทีไป ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองจิตไม่มีวันตายจิตของพระพุทธเจ้าหรือจิตของพวกเราก็เหมือนกันไม่มีวันตายเหมือนกันต่างกันตรงที่จิตของพระพุทธเจ้ามีแต่ความสุขแต่จิตของพวกเรานี้มีแต่ความทุกข์เพราะพวกเรายังไม่ได้ทําลายโมหะอวิชากิเลสตัณหา ผู้เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจนี้ต่างกันตรงนี้ภารกิจของการปฏิบัติของของพรหมจรรย์ก็อยู่ที่ตรงนี้ อ, อยู่ที่การทำลายโมหะวิวิชากิเลสตัณหาด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการจเจริญสติ ด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญานี่เองนี่คือภารกิจที่นักบวชนักปฏิบัติทาทั้งหลายก็ทํากันที่ได้รับผลแตกต่างกันบางคนได้มากได้น้อยต่างกันบางคนได้ช้าได้เร็วต่างกันก็อยู่ที่การเจริญสติสมาธิและปัญญานี้เอง ถ้าจเจริญได้มากจเจริญได้อย่างต่อเนื่องก็จะได้ผลมากและได้สำเร็จเร็วถ้าจเจริญไม่ต่อเนื่องจเจริญไม่มากก็จะได้ผลน้อยและจะสาเร็จช้าก็อยู่ที่ตรงนี้เองอยู่ที่เหตุเหตุก็คือการปฏิบัติธรรมการจเจริญจิตตภาวนา คือเจริญสติสมาธิและปัญญานี่ไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนความแตกต่างของผู้ปฏิบัติคือผลที่ได้รับช้าเร็วต่างกันก็อยู่ที่ตรงนี้ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ตรงนี้บางคนอาจจะได้แค่ขั้นสมาธิบางคนอาจจะได้ขั้นอสดาบันบางคนอาจจะได้ขั้นสกิดากามี บางคนอาจจะได้ขั้นอนาคามีขั้นอามะหันก็อยู่ที่การเจริญสติสมาธิปัญญานี้ว่าจเจริญมากจเจริญ น, น้อยจเจริญอย่างต่อเนื่องหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่เหตุอื่นเลยไม่แยกอยู่ที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะทู้ครองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนรวยหรือเป็นคนจนเป็นคนที่มีฐานะสูงส่งหรือคนต่ำต้อยฐานะสถานภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลที่แตกต่างกันผลที่แตกต่างกันนี้อยู่ที่การเจริญสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นผู้ที่บรรลุ มรรคผลมิพพานในพระพุทธศาสนาจึงมีทุกสถานภาพกษัตริย์ก็มีเศรษฐีก็มียาจกขอทานก็มียิงก็มีชายก็มีคารวาดผู้ครองเรือนก็มีนักบวชก็มีบรรพชิตนักบวชมีมีทุกรูปแบบ ดังนั้นขอให้พวกเราจงพุ่งไปที่การปฏิบัติของเราเป็นหลักอย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบา ร, รมีน้อยบา ร, รมีมากได้สะสมบา ร, รมีมาน้อยบา ร, รมีมากไม่เป็นปัญหาเลยเพราะตอนนี้เรามีเครื่องเสริมบา ร, รมีคือมีพระพุทธศาสนา ทำให้ผู้ที่มีบาลมีมากมีบาลมีน้อยนี้แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะมีพระพุทธศาสนา ม, มีบาลามีของพระพุทธศาสนามาเสริมแทนบาลมีที่เราไม่มีกันเช่นปัญญาบารมีถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่สามารถที่จะสร้างปัญญาบาลมีให้ได้ภายในชาตินี้ จะต้องบาเพ็ญเหมือนกับพระโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าไปอีกหลายกับหลายกันด้วยกันกว่าจะได้บารมีระดับของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ตอนนี้เราได้มาได้ยินได้ฟังปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างด้วยตนเองเหมือนกับมีคนทำถนน ให้เราแล้วเราไม่ต้องทำถนนเองมีคนสร้างถนนให้เราวิ่งข้ามเขาเขาใหญ่ไปมีคนสร้างใหเสร็จแล้วเพียงแต่เราเดินไปหรือขับรถไปเท่านั้นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับว่ายังไม่มีถนนมีแต่ป่ามีแต่เขาเราสร้างคนเดียวเมื่อไหร่เราจะสร้างเสร็จกัน ดังนั้นเราไม่ต้องไปใช้อ้างว่าบา ร, รมีน้อยว่าสนาน้อยอันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุเสียแล้วจะเป็นเหตุก็ตอนในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเท่า น, นั้นถึงจะอ้างได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวดังนั้นที่มีบา ร, รมีมากมีว่าสนามากจึงทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้เป็นพระอาหารหันตัดสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้เพียงพระ อ, องค์เดียว คนอื่นนี้ไม่มีวาสนาไม่มีบารมีมากพอแต่พอมีพระพุทธศาสนามีคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้พวกที่มีวาสนาน้อยวาสน า, าบารมีน้อยบารมีมากนี่บรรลุ ก, กันเป็นเหมือนดอกเห็ดพุทพัพพุพัพ พ, พ, พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็บรรลุ ก, กันเลยครั้งเดียวพร้อมกันห้าร้อยรูปคิดดูรงสแสดงทำให้กับนักบวชในสํานัก พวกนี้เขามีฌานมีสมาธิมีสติกันแล้วมีสีน์กันแล้วแต่เขาไม่มีปัญญาพอได้ยินได้ฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาเพื่อการหลุดพน้นพอได้ยินได้ฟังปั๊บเขาก็หลุดพ้นกันเลยอันนี้แหละตัวที่จะมาทําให้ผู้ที่มีบารมีน้อยมากนี้สามารถมีบารมีเท่ากันได้คือสามารถบรรลุ มรรคผลนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยนี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้สัตว์ผู้อาภัพอย่างพวกเราสัตว์ผู้ที่ได้ ว, วาสนาบารมีกลายเป็นสัตว์ที่มีวาสนาบารมีอันยิ่งใหญ่คู่ควรต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราก็ต้องสะสมบารมีวาสนาไปตามบุญตามกรรม ซึงก็ไม่รู้อีกกี่กับกี่กรรมด้วยกันกว่าที่จะสามารถมีวาสนาบารมีที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่แปลกประหลาดมากสุดจั์ที่สุดการได้พบกับพระพุทธศาสนาถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่าเลยเราให้ได้พบกับเงิน เงินทองกองเท่าภูเขามาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีมีเงนินหมื่นล้านแสนล้านเงินหมื่นล้านแสนล้านนั้นก็ไม่มีประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดนอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วยังอาจจะเป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นภายในใจเสียด้วยซ้าไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะจะต้องมีความหวงความ่วงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ มีอันมากมายที่จะต้องจากกันไปในที่สุดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดัง น, นั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นทรัพย์ที่ล้าค่ามหาศาลนอกจากพระพุทธศาสนานี้เองพวกเราเหมือนกับว่าได้มาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีแล้วเราได้มหาสมบัติอันล้ำค่าอันยิ่งใหญ่อยู่ที่พวกเราว่าเราสามารถ เอาสมบัติอันล้ำค่านี้มาทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราได้หรือไม่มาชำระจิตใจของเราที่มืดบอดให้สว่างขึ้นมาได้หรือไม่มาชำระจิตใจของเราที่สโปรบ ด, ด้วยกิเลสตัณหาให้มันสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาได้หรือไม่เท่านั้นเองก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาหรือไม่ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคําสอนของพ่อพรธเจ้าหรือไม่นี่ถ้าไม่เห็นคุณค่าก็เป็นเหมือนพวกทับพีในหม้อแกงนให้ทัพพีอยู่ในแกงหม้อละแสนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่รู้ว่าแกงที่มันได้สัมผัสนั้นมีราคาเป็นแสนเป็นล้านไม่เหมือนกับพวกที่ลิ้นกับแกงพวกนี้พอสัมผัสกับแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่าอริดอร่อยมี รสชาติโอชะขนาดไหนนั่นนะคือจิตของผู้ที่ได้มาสัมผัสกับพระพุทธศาสนาะก็จะเป็นสองแบบด้วยกันแบบทัพพีในหม้อแกงกับแบบลิ้นกับแกงฮะพวงที่สัมผัสแบบลิ้นกับแกงก็จะกลายเป็นพระอริยเจ้ากันไปภายในชีพบนี้ภายในชาตินี้กันเพราะเขาจะไม่นิ่งนอนใจเขาจะรีบตบตัว ปัญญาที่พูดเจ้าได้ส่งมอบมารีบตับตวงการปฏิบัติให้เกิดมักผลนิพพานขึ้นมาภายในชาตินี้ให้ได้เพราะรู้ว่าถ้าตายไปแล้วชาติหน้านี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเจอสมบัติอันล้ำค่าอย่างนี้อีกหรือไม่ซึ่งโดยหลักธรรมท่านก็แสดงไว้ว่ายากมากการเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ยากอยู่ของมันอยู่แล้ว แล้วการที่จะเกิดเป็นมนุษย์แลวได้พบกับพระพุทธศาสนานี่มันยิ่งยากกว่าขึ้นไปเองไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเท่าเดียกันเพราะการเกิดของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายดายยากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์อีกสักรายแสนหลายล้านเท่าแล้วการที่จะได้ของยากทั้งสองประการนี้พร้อมๆกันมันยิ่งยากขึ้นไปเท่าไหร่ตอนนี้เราได้แล้วเราไม่เอามันมา ทำประโยชน์ให้กับเราก็ช่วยไม่ได้นะดังนั้นขอให้เราพิจารณาให้เห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่เห็นก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมทั้งของครูบาอาจารย์ของภาษาวกและท่านของพระบรมาศาสดาเองเข้าไปศึกษาพระสูตรสำคัญสำคัญต่างๆมีไม่กี่พระสูตรเนียไปศึกษา แล้วก็ไปทำความเข้าใจอย่าไปสวดสวดแต่ไม่เข้าใจความหมายก็เป็นเหมือนนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอหยิบแก้วให้ก็โยนทิ้งจะเอาจต่กล้วยจ๋ากล้วยจ๋าอันนี้จะเหมือนกันสวดก็ส ว, ด, สวดกันคล้องปากแต่พอถึงเวลาก็จะหาเบสซี่โคลา่กันดื่มแทนที่จะเจริญสตินั่งสมาธิกันก็แทนที่จะถือศีลแปดก็ยังถือไม่ได้ ทั้งที่สวดพระสูตรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอันนี้เรียกว่าสว ด, ดแบบนอกแก้วถ้าสวดแล้วเข้าใจความหมายเลยจะปฏิบัติทันทีจะถือศีลแปทันทีจะออกบวชทันทีจะเจริญสติจะนั่งสมาธิจะเจริญปัญญาทันทีเลยถ้าทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่ามักผลนิพพานต้องได้แน่ในชาตินี้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้มาแล้วกันมากมาย ก็ขอให้พวกเราจงมุ่งไปที่การปฏิบัติมุ่งไปที่เหตุที่จะทำให้เกิดผลก็คือการเจริญสติสมาธิและปัญญาอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้เวลาอันร่าค่านี้ปจัจจาะการเจริญสติสมาธิและปัญญาเลยเพราะเวลาใดที่เราไม่ได้เจริญสติสมาธิปัญญาเวลานั้นก็เป็นเวลาของกิเลสตัณหา เวลาของการสร้างกองทุกสร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้มีเพิ่มมากขึ้นไปไม่เรื่อๆนั่นเองการแสดงก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวะหาปุราตาลิปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปชิตตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหะโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติยวิวัจจัตุสัพพุโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตรายโสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนสิริสานิจังวุทธาปัจจายโนจตารุธรมมวะทานติอายุวันโนสุขังภาลาง ไม่ใครอยากจะถามปัญหาไหมใครฟังแล้วสงสัยอะไรยังไม่เข้าใจหรือปฏิบัติไปแล้วมีปัญหาติดอยู่ตรงไหนทาไมถึงไม่ก้าวหนะ้าก็ถามได้ถ้าไม่มีใครถามก็จะให้ทางอินเทอร์เน็ตถาม <c oughs> ครับการ เ, าเกี่ยวกับเรื่องของโทสะครับอาจารย์ <c oughs> เมื่อมีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยความคิดมันจะไปจบอยู่ที่เดี๋ยวเราก็หายโกรธพอเรารู้สึดอย่างเงี้ยแต่ความโกรธมันก็ยังไม่ได้หายไปทันทีเนี่ย เ, เราต้องใช้อารมณ์ในการระงับให้ไม่เกิดความโกรธเนี่ยออย่างนี้แสดงว่าปัญญายังไม่ได้เกิดแต่ต้นใช่ไหมครับอาจารย์ยังไม่เกิดถ้าปัญญาต้องเห็นว่าเรากําลังทุกข์้วไม่ใช่ครับทุกข์คนที่เรากโกรธก็ไม่ทุกข์หรอก คนที่ทุกข์ตอนนี้คือเราแล้วก็เกิดจากความโกรธของเราถ้าเราอยากจะหายทุกข์เราก็อย่าไปโกรธนตอนนี้เรากำลังปวดศีรษะเพราะเราเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราแต่เรามองไม่เห็นว่าความปวดศีรษะของเราเกิดจากการเอาค้อนมาทุบศีรษะเราก็ยังทุกข์อยู่เหมนนแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าความเกิดโกรธของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้เขาทาอย่างนั้นทาอย่างนี้ พอเขาไม่ทําเราก็โกรธถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่โกรธแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนใจที่โกรธเพราะเราอยากให้เขาทําอย่างนั้นทํานี้เราก็เปลี่ยนใจว่าไม่อยากแล้วเขาจะทําไงก็ได้อย่างนี้ก็จะหายโกรธมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถเครื่องมือเครื่องมือของการแก้วความโกรธมันมีหลายระดับบางคนใช้สติกะท่องพุโทโธพุธโทโธไปเวลาเกิดความโกรธ บางคนก็เดินหนีจากเหตุการณ์ไปหลบไปเข้าไปนะนั่งในห้องน้ำไปซะไปสงบสติอารมณ์อใจยังใจยังหยุดไม่ได้อย่างน้อยก็เอากายออกไปก่อนอย่าไปอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธเกิดความโกรธขึ้นมาบางคนใช้ปัญญาได้ก็ไม่ต้องหนีเหตุการณ์เพียงแต่ปรับใจเปลี่ยนใจถ้าไม่เอาก็ได้嘛อันนี้ก็จบ ขอเราไม่ให้ก็เป็นไปไดไม่เอาก็ได้มันก็หายโกรธได้ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณคิติมานนะครับขณะทาสมาธิบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆเมื่อรู้สึก ว่าหลงไปคิดก็กลับมาบริกรรมพุโทโธอีกทำอย่างนี้ตลอดการทำสมาธิอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่แล้วจิตจะรวมเป็นหนึ่งได้อย่างไรทาอย่างนี้ยังไม่ได้ผลเพราะว่าสติยังไม่ต่อเนื่องคือเหมือนเชือกขาดอยู่เรื่อยๆเหมือนเราจับสุนักหรือจับจับลิงมาเราใช้เชือกลากมันมาพอลากมาได้สักสองสาเก้าเชือกก็ขาดขาดเราก็ต้องไปหาเชือกเส้นใหม่มา ผูกมันใหม่แล้วก็ลากมันใหม่พอลากได้แค่สองสามก้ามันก็ขาดอีกนี่คือสติของเรายังเป็นเหมือนเชือกกล้วยอยู่พอจะดึงจิตให้เข้าสู่สมาธิก็ดึงได้แค่สองสามวินา ท, ทีพุทโธพุทโธได้สองสามวินาทีก็หลุดเชือกขาดหลุดไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทำอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะสงบแล้ว แล้วเราก็ต้องพยายามหาเชือกที่มันมีกำลังแข็งแรงที่ขาดยากเช่นเอาเชือกไนล่อนอย่างนี้ถ้ามีเชือกไนล่อนมาผูกกับตัวลิงแล้วลากมันเข้ามานี่รับรองไม่ขาดลากมันเดียวเดียวมันก็เข้าสู่ความสงบได้สติของเราตอนนี้มันอ่อนเหมือนเชือกกล้วยเพราะเราไม่เจริญสติกันเราต้องเจริญก่อนที่จะมานั่งสมาธิกัน ต้องเจริญทั้งวันเลยถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วเขาจะเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่เขาจะตั้งสติก่อนก่อนที่จะลุกขึ้นไปทาอะไรนี่เขาตั้งสติแล้วว่าใจตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าหรือไปอดีตแล้วไปอนาคตแล้วเขาจะรู้อย่างเี้เรียกว่ามีสติแล้วพอจะไปก็ดึงกลับมาดึงกลับมาที่ร่างกายก็ได้ ตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่อยู่กับร่างกายไปหรือถ้ามันไม่ยอมอยู่กับร่างกายก็อยู่กับพุโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติถ้าดึงมันไว้ให้อยู่กับร่างกายอยู่กับพุโทโธได้ทั้งวันเวลานั่งสมาธิเชื่อก็จะไม่ขาดสติก็จะไม่หลุดไม่เผลอบริกรรมพุโทโธก็จะพุโทโธอย่างต่อเนื่องแล้วไม่นานมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ จะว่าทำผิดไมมไม่ผิดทําถูกแต่เพียงแต่ว่าขาดสติสติมีกําลังน้อยเจริญสติเฉพาะเวลามานั่งนี้ไม่พอทำอย่างนี้ไปอีกสิบชาติร้อยชาติก็ไม่ได้ผลถ้าอยากจะได้ผลนี้ต้องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับวิธีที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องตื่นจนหลับก็คือต้องไม่มีงานอย่างอื่นทา เป็นนักบวชอย่างนี้นักบวชนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติมืออาชีพคนจะไปชิงแชมป์เหรียญทองมันก็ต้องปฏิบัติอย่างเดียวเ ล, เล่นกีฬาอย่างเดียวมัวไปทำงานอย่างอื่นด้วยแล้วมาเล่นกีฬาด้วยไปชิงแชมป์กับเขากี่ครั้งก็แพ้เขาทุกครั้งไปฉันใดเนี่ยผู้ที่บรรลุกันได้สมาธิกันส่วนใหญ่เก้าบเก้าเปก็เป็นนักบวชทั้งนั้น มีคารวาหนเอร์เซนต์ก็เป็นคาราวาดที่ไม่ต้องทำงานมีมีอันจะกินแล้วมีเวลาว่างที่จะปฏิบัติได้แล้วไม่ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงผิวเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเช่นคนแก่นี่ก็จะมีโอกาสแก่แล้วไม่ต้องเลี้ยงดูใครแล้วเ้าปล่อยให้เข้าวาัดได้แล้วตอนนั้นก็จะมีเวลาได้จเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นถ้าอยากจะได้ผลจากการนั่งสมาธิก็ต้องเล็งไปที่เหตุเหตุก็คือสติสติต้องต่อเนื่องไม่ขาดตอนสติต้องเป็นแบบเชือกไนล่อนถ้าเป็นเชือกกล้วยก็อย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากามีคำถามต่อไหมครับคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณแพลวพันธ์เชื้อวงนะครับ พยายามเอาเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาข่มใจแต่อดไม่ได้เพราะมีคนมากวนจิตใจตลอดหรือที่เราอดไม่ได้เพราะว่าคนนั้นทำให้เราไม่ชอบไปแล้วเราเลยรู้สึกไปเองจะทำอย่างไรดีคือมุทิตาการุณาอุเบกขาเมตตานี่ยังอ่อนมากกำลังจะอ่อน ก็ต้องพยายามเจริญเมตตากรุณาโมดิตาอุเบกขาให้มากแต่การเจริญนี้ไม่ได้อยู่ที่การท่องจําเช่นเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาสัพเพสัตตาอันนี้เป็นการสวดเฉยเราต้องให้ความความหมายของการแผ่เมตตานี้มันซึ้งเข้าไปในใจสัพเพสัตตาอเวราหนตุแปลว่าอะไร แปลว่าเราจะไม่มีเวมีกรรมกับใครเราจะให้อภัยกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาจะทำร้ายเราพูดร้ายต่อเราอย่างไรเราจะไม่จองเวณจองกรรมเราจะให้อภัยนี่คือข้อสอบเราต้องถามตัวเราเองว่าเราทำได้หรือไม่ทุกครั้งที่เราแผ่เมตตานี่คือความหมาย ไม่ใช่สวยไปสัพเพสัตตาเอาเวลาโหนตุเหมือนกับส่งกระแสอะไรไปในในท้องฟ้าอย่างนี้ไม่ใช่มันหมายถึงว่าเวลาไปเจอคนเขาด่าเราเขาทำอะไรให้เราเสียหายเราจะบอกว่าไม่เป็นไรได้หรือเปล่าอันนี้แหละคือการแผ่เมตตาในลักษณะหนึ่งที่เราต้องซ้อมทำไว้ก่อนทำาการบ้านไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนนึกไปก่อน นึกถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เราโกรธขึ้นมาแล้วถามว่าเราจะดับความโกรธนั้นได้หรือไม่ให้อภัยเขาได้หรือไม่คนที่เราให้อภัยได้เรามักจะไม่โกรธใช่ไหมเช่นลูกเรานี่เรารักเขามากบางทีเขาทำอะไรเสียหายขนาดไหนเราให้อภัยเขาได้เพราะเรารักเขามากเราก็ควรจะรักทุกคนเหมือนกับที่เรารักลูกเราแล้วเราก็จะให้อภัยได้ นี่นลักษณะของการแผ่เมตตากาุณามุดิตาอุเบคาก็แบบเดียวกันเราต้องซ้อมทำไว้ก่อนถามตัวเราเองว่าเราทำได้ไหมกาุนาก็คือความสงสารเวลาเห็นขอทานนี่เรามองเข้าด้วยความหมันใส้หรือมองด้วยความสงสารบางทีเรามองเข้าเหมือนกับว่าเป็นศัตรูมาคอยแทะมากินเงินทองของเรา หรือเราจะมองเขาว่าก็เป็นคนปลอมเป็นขอทานปลอมมาหลอกเราเอาเงินเอาทองเราเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นของปลอมหรือเป็นของจริงถ้าเรามีความสงสารเราก็ไม่สนใจถ้าก็อยู่ในสภาพน่าสงสารก็ให้เขาไปก็หมดเรื่องเงินที่ให้ทานไปสัก5บาทสิบบาทมันไม่ได้ทําให้เราตายหรือยากจนไปหรอกนี่คือความการุณาเรามีหรือเปล่ามองเห็นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากแล้ว มีความสงสารเขาหรือเปล่าหรือเป็นคนใจไม้ใส่ละก ร, รังเห็นแล้วก็พยายามมองไม่เห็นทําเป็นลืมๆไปเช่นสมัยนี้เวลาขึ้นรถเมย์ผู้หญิงเด็กนี่ขึ้นไปก็ไม่ได้มีที่นั่งหรอกคนที่เป็นผู้ชายนั่งอยู่ก็จะหลับตามองไม่เห็นสมัยก่อนสมัยที่เราเป็นเด็กๆ เ, เวลาขึ้นรถเมยนี่พอเด็กขึ้นมาผู้ใหญ่รูปให้นั่ง ผู้หญิงลุกขึ้นมาลุกให้นั่งคนชร า, าลุกขึ้นมานี่จะลุกให้นั่งนั่นละคือความสงสารเห็นคนอื่นเข้าทุกข์ยากลำบากก็อยากจะแ บ, แบ่งเบาความทุกข์ของเขาให้น้อยลงไปนี่คือความการุณามุติตาก็คือการยินดีกับความเจริญกับความสุขของผู้อื่นเราทำได้ไหมเวลาคนอื่น เขามีความสุขจากการได้แฟนของเราไปอย่างนี้ เ, เราจะมุติตาได้หรือเปล่าโดยเวลาเล่นกีฬาแล้วเราแพ้เขาชนะอีเราจะแสดงความยินดีได้หรือเปล่าสมัยนี้มุติตาไม่ค่อยมีสังเกตเดืเอดเวลาแพ้ก็ไปว่าเขาโกงบ้างว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างไม่ยอมรับความจริงว่าเราแพ้แพ้ก็แพ้เสียเ น, เ, น, เ, นเรื่องตายที่ไหนล่ะใช่ไหม การกีฬาเขาก็บอกเราว่าให้รู้แพ้รู้ฝึกรู้แพ้ฝึกรู้ชนะกันนี่คือมูดิตาลองซ้อมถานตัวเองว่าเราจะชื่นชมยินดีกับความสุขของผู้อื่นได้ไห ม, มน่าจะอยู่บนกลองทุกข์ของเราเช่นขโมยเงินขโมยลักเงินทองเอาไปนี่เรามุดิตาได้หรือเปล่าเออดีว่ามันไม่มีเงินทองมันมาขอใช้ให้มันไปกันแล้วกัน ขอขอไม่ให้ขอไม่ได้มันขโมยไปก็ถือว่าก็ให้มันเหมือนกันก็อย่าไปถือโทษโกรธเครื่องมันยชื่นชมอยู่ดีใจเราแทนที่จะทุกข์ก็กลับกลายเป็นความสุขไป <S <S คิดว่าเหมือนกับได้ไปทําบุญโดยที่ไม่ต้องไปถึงวัดมีคนมาลับไปทําให้เลยเวลาเราสูญเสียอะไรถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์มุติตานที่มีไว้เพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากความโรกรธเกลียดอิจฉาลิษยา เห็นคนอื่นที่เขาได้ดีบได้ดีกว่าเรานี่บางทีใจนี่ร้อนขึ้นมาเลยทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขาจะได้ดีบได้ดีหรื อ, อยังไงมันก็ไม่ใช่ทำให้เราเลวลงไปเราก็ไม่ได้ต่ำต้อยลงไปขนาดไหนแต่ทำไมเรากับร้อนเป็นไฟขึ้นมาเพราะเราไม่อยากเขาได้ดีกว่าเราใช่ไหนี่คือการฝึกมู้ิตาต้องคิดถึงเรื่องราวให้มันซึ้งเข้าไปในใจแล้วถามตัวเองว่า เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราทําใจได้หรือเปล่าอุเบกขาก็เหมือนกันอุเบกขาก็คือทําใจเฉยได้ไหมในกรณีที่ทําอะไรไม่ได้เช่นคนที่เรารักเขาจะจากเราไปอย่างเนี้ยเราต้องร้องหงอยร้งไห้หรือเปล่าด้วยโกรธเกลียดคนนั้นคนนี้ที่มาแย่งคนที่เรารักไปหรือเปล่านี่คือการฝึกซ้อมก่อนอุเบกขาก็คือ วิธีจะฝึกซ้อมอุเบกขาก็ต้องนั่งสมาธินี่ถ้านั่งสมาธิเจนจิตเป็นอุเบกขาแล้วจะปล่อยวางได้จะวางเฉยได้ใครจะเอาแฟนไปยกไปให้เลยดีจะได้ไม่ต้องมาคอยห่วงคอยห่วงไม่ต้องคอยมาทำกับโค้งกับข้าวซักเสื้อผ้าให้ไม่ต้องมาขออนุญาตเวลาจะไปไหนมาไหนก็ไปได้อย่างเป็นอิสระเรามองโลกในแง่ดีทุกครั้งที่เราเสียอะไรไม่ใช่ว่าเราจะเสียอย่างเดียว เราเรามีส่วนที่เสียไปเราก็มีส่วนที่ได้กลับคืนมาเราก็ได้อิสราภาพความเป็นตัวของเรานี่คือวิธีที่เราจะฝึกในการเจริญเมตตากรุณาบุรีตาอุเบขาไม่ใช่สวดสัพเพสัตตาอย่างนี้แล้วถือว่าได้ได้เจริญ้วไม่ได้อะไรเลยเพราะมันก็เจริญแบบนกแก้วนี่ นกแก้วมันก็ท่องแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่พอเวลาจะยื่นแก้วให้มันกินมันก็ไม่เอามันจะเอาปุวยพวกเราก็เหมือนกันเราแผ่เมตตาไปท่องไปสัตสัตาไปพอเจอใครเขาว่าอะไรหน่อยทําอะไรหน่อยก็แยกเคี้ยวใส่เา็าเลยคนปาดหน้าหน่อยขับรถปาดหน้าหน่อยก็เยวะขึ้นมาละนี่คือการ การทดสอบจิตใจของเราดูว่าเรามีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาหรือไม่ถ้าไม่มีก็พยายามสร้างมันขึ้นมาพิจารณานึกมันขึ้นมาซ้อมนะึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วทําใจให้ให้เกิดเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาให้ได้แล้วเวลาอยู่ในเหตุการณ์จริงก็จะทําได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณวิลาไลัยนะครับอยากทราบวิธีรักษาจิตให้อยู่ภายในให้นานๆจิตเคยชินกับการส่งออกนอกก็อย่างที่บอกทิเทศว้านี่ก็คือการจเจริญสตินี่องถ้าไม่มีสติจิตก็จะออกนอกทันทีเหมือนลิงถ้าไม่มีเชือกผูกมันไว้มันก็จะออกไปเพ่นพ่านทันทีถ้ามีเชือกผูกไว้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าไปในกรงมันก็ยังไปไหนไม่ได้ สติก็คือเชือกที่ผูกจิตไว้ไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆเช่นเราท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่างนี้มันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือเราจดจ่ออยู่กับการทำงานมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไปคิดปับ๊บมันก็แสดงว่ามันไม่ได้จดจ่ออยู่กับการทำงานแล้วการทำงานบางอย่างที่มันผิดพลาดก็เพราะว่าเราไม่มีสติจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำกันทาไปแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้น เช่นหมอนี่บางทีก็เขียนยาผิดขนาดให้คนไข้กินก็มีเพราะโมแต่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้แทนที่จะเขียนสิบมิลลิก ร, รัมก็เขียนห้าสิบมิลลิก ร, รัมมแทนที่ให้กินมือละสองเ ม, ม็ดก็เขียนมือละสามสี่เมนน็ดนี่อันนี้ก็ผิดพลาดได้เพราะไม่มีสติตอนที่เขียนนี่ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นแต่ถ้ามีสติแล้วมันจะรู้ทุกขณะเวลานาทีว่ากําลังทําอะไร คือถ้ามันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะรู้ทันทีถ้าไม่ไม่มีสติบางทีมันไม่รู้นะบางทีปิดประตูล็อกกุญแจนี่บางทียังยังคิดเลยว่าเอ้ยเมื่อกี้เราล็อกหรือเปล่าแสดงว่าตอนนั้นเราไม่ได้มีสติอยู่กับการปิดประตูใส่กุญแจพอใส่เสร็จแล้วเดินไปออกไปนอกบ้านได้สองสามเก้าต้องย้อนกลับมาดูอีกทีเพราะว่าไม่แน่ใจเพราะตอนที่ทํานั้นใจไม่ได้อยู่กับงานที่ทําอยู่ มัวไปคิดยืมกับเรื่องอื่นนี่คือการไม่มีสตินี่เราต้องพยายามฝึกสติให้มากพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าสตินี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีสติแล้งานจะไม่ผิดพลาดแล้วใจก็จะสงบใจจะไม่วุ่นวายนี่คืออนิสงประโยชน์ของการเจริญสติ ขอให้เราพยายามทำกันให้มากๆแล้วใจจะไม่ไปข้างนอกใจจะอยู่ข้างในจะอยู่ในปัจจุบันนี้อขอพระอาจารย์ไมตาขยายความคำที่ว่าอย่าใช้ชีวิตอยู่โดยที่มีความคิดว่าตัวเด่นดังกว่าใครแต่ให้ใช้ชีวิตอยู่โดยมีความคิดว่าตัวเองมีประโยชน์สูงสุดคนหนึ่งครับอาจารย์ไม่รู้เป็นคาพูดของใครน ของท่านพุทธทาสครับคือคนเราอย่างที่พูดเนะี่ยชอบหลงตัวเองชอบคิดว่าตัวเองนี่ดีเสมออย่างที่มีคําตัดสอนไว้ว่าความดีของตนแม้จะเท่าผงทุลีก็คิดว่าเท่ากับกองภูเขาส่วนโทษของตนเองนี้แม้จะใหญ่เท่ากองภูเขา ก็คิดว่าเป็นเหมือนผงทุเรีนี่คือความคิดของคนพาลหรือคนโ ง, ง่ส่วนความคิดของคนฉราก็เคยก็คิดอย่างนี้คิดว่าควโทษของตนแม้จะเท่าผงทุเรีก็คิดว่าเท่ากับกองภูเขาจะต้องกาจัดให้ได้ส่วนความดีของตนแม้จะเท่ากองภูเขาก็คิดว่าเท่าผงทุเรีเพื่อที่จะได้ทำความดีเพิ่มมากขึ้นไป นี่คือลักษณะความคิดของนักปราชญ์กับคนผ่านจะต่างกันอย่างนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ได้เคยอ่านมาคือคนฉลาดหรือนักปราชญ์นี้จะรู้ว่าตนเองยังไม่ฉลาดส่วนคนที่คิดว่าตนเองฉลาดนี่คือคนโง่ที่แท้จริงขอให้เอาหลักนี้ไปใช้ก็แล้วกันเราจะได้อ ไม่หลงตัวเองไม่มีำแล้วครับ you can come in you would like to talk to me first all I want to say thank you very much for translating t h t did you get the book yet The printed copy. Yeah. You have the printed copy. Yes. Okay. Okay. I have one question about wisdom, Panya. When people go to school, they learn to have knowledge. Yes. That's panya, you cannot read and learn. So we divided panya or wisdom into two c a t e g o r i e s worldly wisdom and spiritual wisdom. Uh, Buddhism teaches both worldly and spiritual wisdom. The worldly wisdom is what you you learn about things in the world, like science, history. This knowledge that can enhance your your view of the world, your performance of your life, but it's only good for your body, for your physical need. Like it can help you make a lot of money if you have knowledge, computer knowledge or science knowledge or biology knowledge. Then you can use this knowledge to make a living. But this knowledge is not helpful spiritually. Because it doesn't solve your spiritual problem. Your spiritual problem is stresses, anxiety, anguish, all the mental illnesses that modern men have today. They don't have a cure for this disease because they need the spiritual wisdom. So this is where well, Buddhism comes in. Buddhism uh, teaches the way to cure the mental illness. The the illness of the mind arises from one's desire or craving. This is the truth that the Buddha had uh, learned from his enlightenment experience. He have discovered that the stresses, the anguish, the mental suffering that one has. Arise from one's own cravings, one's own desire, and he described this desire into three category: the desire for sensual happiness, like happiness by seeing, hearing, smelling, tasting, or touching. When one has this desire, one has to go after these things to make one happy, but this. Things are elusive. Sometimes you catch it, sometimes you don't. <laughs> When you catch it, you are happy. When you don't catch it, you are dejected, you are depressed. o once you have it, you also become addicted to, to them. You have to keep having them all the time. Anytime you don't have them, then you become sad and depressed. But if you don't have this craving, this desire for this kind of happiness, then you will not be depressed or dejected when you don't have them. See. So the Buddha say, our suffering, our misery arises from our desire, our craving. This is the first one, the desire for sensual happiness. The second one is the desire to be on, to be somebody, to be some, something like to be a rich man, to be famous, to be whatever you want to be. When you cannot be what you want to be, you become sad, dejected, depressed. And the third desire is the desire not to be, like right? you don't want to be poor, you don't want to get sick. You don't want to be paralyzed, be incapac, incapac, yeah, what you call, in, can can pronounce the word properly, incapacitated. Yeah. You want to be fully fit, healthy, and strong. So any time when you become uh, paralyzed or handicapped, you become depressed, dejected. Sometimes you even want to kill yourself. See, this is the the problem. But if you don't have these three desires, whatever happens will not affect your mind. The mind can can accept them and rise above them, transcend above these things. This is the mind of the Buddha and all the perfect, the pure ones. They have practiced and have the ability to eliminate all these three desires from their mind. So they have no desire for anything because they have something better. They have peace of mind, peace of mind that arises from the practice of meditation. Once you have this, then you can let go of everything else, let go of all your desire. So what this is, what you should learn is the the spiritual wisdom, the knowledge. And try to live by that knowledge. That is to overcome your desire, eliminate your desire from your mind, live like a nobody, have no desire for anything, have no desire to be anything. Just to exist, because existence itself is good enough already, without having to have anything. If you can make your mind calm and peaceful, that's all. That's the problem. the problem. The problem is that you, your mind is not peaceful and calm. Your mind is constantly agitated by your desire. This is a karmic force that you have been developing throughout your past numerous lives in the past, and it keeps driving you crazy, keep driving you to go after this or that all the time. You cannot just sit down and be still and be happy for even half an hour. You yeah. know, you just have to do something. Yeah. Not doing something becomes a a sin or something like that for most people nowadays. They don't know that i t s a virtue to be able to sit still and not doing anything. So this is the spiritual wisdom. Okay. Anything else? How long have you been studying Buddhism? Um, since e v e s t son did um, uh, became monk, a m o s t w o and a half years ago. Two and a half years ago, and before that you didn't even know anything about Buddhism. Sure. Just just decide to become a monk because you're interested. w h r e the oldest son became monk. Your o oldest son, yes. not you. <laughs> I see. Yes. Because your wife is Buddhist, yes. and she wants her son to have some Buddhist experience. Yes. Then you become exposed to Buddhism that way. Yes. By how? Did you? By? We. It is. Oh. Oh. By one monk in my hometown of Phnom. Uh, Never mind the name. Does he speak English or uh, not much? Uh -huh. <laughs> But he told you something about the Buddha's teaching. Yes, uh, my my son translated from c h i e o i g i n a Then how did you come across l o n g t a m a h a b u d h s teaching? Because uh, the. Teacher to Rajan was booksy b o o m I see. So he has some books or some uh, anything. Yes. Uh, yeah. He gave me some. Uh, mm -hmm. um, uh, uh -huh. um, The translation yes. that I made for Desana, t and you find that very beneficial. Yes. Mm -hmm. Beneficial when it was like t h No, mm -hmm. So you have been trying to practice now. Mm -hmm. So you understand the the necessity of developing mindfulness. I think I should say yes to my experience of feeling peaceful. Mm -hmm. You need mindfulness in order to bring your mind to calm. Because mindfulness will prevent your mind from thinking unnecessarily. You know, if your mind thinks, you will not have you could you will not have peace of mind. Only when you can stop your mind from thinking, and so you need some kind of a, uh, instrument to help stop your thinking, like using a mantra, repeating a mantra. When you repeat the mantra, then you cannot think about other thing, or or you can focus on your bodily action. Just keep focusing, watching what you r e doing. When you watch your body, concentrate on what you r e doing. Then you cannot think about other thing. Then your mind can become blank. When your mind become blank, you feel at ease and easy feel. And if you sit down and concentrate on your breathing or on a mantra, your mind can converge into calm. So this is what you should try to do, as much as possible. Before you can develop wisdom, you need this first. You need, you need a calm mind, a full mind, a contented mind. When your mind can become contented, it's full and it's happy. So when you instruct the mind to stop all the craving, then the mind will obey, because it doesn't need to have anything anymore. But when your mind is still not yet calm or content, it's still very hungry. It still wants this and that. No matter how how you try to persuade your mind to give up your desire, it won't give up. But once you have this peace of mind, this contentment. In your, in your mind, then you can let go of all your desire. So this are the three steps you have to develop first mindfulness, so you can get calm, peace of mind. Once you have calm and peace of mind, then you can teach your mind uh, the the harm of your desire. You have to get rid of your desire. Then your mind will obey and listen to what you have to say. โ <Okay. S 2> อโอกาสถามพระอาจารย์ครับจะจะถามว่าผู้เบียกขากับความปล่อยวางที่แบบว่าปล่อยวางจะมีทิดถืออะไรจะมแตกต่างกัน ม, มากนะครับผู้เบกขาก็คือใจที่เฉยๆคือไม่ไป มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่สัมผัสรับรู้การปล่อยวางนี้ก็เป็นเหตุที่จะทําให้ใจไม่ไปวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆถ้ายังยึดติดอยู่กับเรื่องราวต่างๆใจก็จะไม่เป็นอุเเกรดขาเพราะใจยังมีความรักมีความหวงมีความหโหยอยู่จะพยายามรักษาสิ่งต่างๆ เวลาพยายามรักษาใจก็จะต้องวุ่นวายไปกับการดูแลรักษาแต่ถ้าใจมีอุเบกขาใจก็จะปล่อยวางได้ที่การปล่อยวางนี้มันมีสองลักษณะการปล่อยวางลักษณะแรกก็คือการนั่งสมาธิทาใจให้สงบเป็นอุเบกขาพอใจเป็นอุเบกขาใจก็จะปล่อยวางสิ่งต่างต่างได้ ในอุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้มันเป็นของชั่วคราวพอมันจางหายไปมันก็จะกลับมายึดติ่งได้ใหม่ถ้าอยากจะปล่อยวางอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไม่ใช่ของเราไม่สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดถ้าปล่อยวางได้ด้วยปัญญาก็จะ เป็นอุเบกขาไปอย่างถาวรเข้าใจไหมก็ ค, คือใช้ปัญญาที่เจรนาให้เกิดความเข้าใจใช่แต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาปล่อยวางได้ต้องปล่อยวางด้วยสมาธิก่อนถ้ายัางปล่อยวางด้วยสมาธิไม่ได้จะไม่รู้จักวิธีปล่อยวางด้วยปัญญาจะไม่รู้ว่าการปล่อยวางนี้เป็นอย่างไรจะไม่รู้ว่าอุเบกขาเป็นอย่างไรจะหาอุเบกขาไม่เจอ แต่ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วก็จะรู้ว่าเวลาจะปล่อยวางก็ให้ไปยืนตรงจุดนั้นไปยืนตรงจุดอุเบกขามันก็จะปล่อยได้งั้นขั้นต้นต้องหาจุดอุเบกขาให้เจอก่อนขับรถก็ต้องหาเกียร์ว่างให้เจอก่อนถ้าหาเกียร์ว่างไม่เจอเจอแต่เกียร์เดินหน้าถอยหลังรถมันก็จะไม่จอดเดี๋ยวเข้าเกียร์เดี๋ยวไปเจอเกียร์เดินหน้าแลเดี๋ยวก็ไปเจอเกียร์ถอยหลัง รถมันก็วิ่งเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นเพราะมันหาเกียร์ว่างไม่เจอแต่ถ้าเจอเกียร์ว่างปั๊บมันก็จะจอดได้ใจก็เหมือนกันใจของพวกเรานี้ไม่มีเกียร์ว่างกันทั้งวันนี้มีแต่เกียร์เดินหน้าคือความโกรธไอ้ความอยากความโลภเนี่ยเกียร์เดินหน้ารักอะไรชอบอะไรก็เดินหน้าเข้าหาเลยถ้าไปเจออะไรของไม่ชอบของเกลียก็เข้าเกียร์ถอยหลังเลยแต่จะไม่เข้าเกียร์ว่าง สำหรับคนที่มีเกว่างเขาก็จะว่างเห็นอะไรชอบเขาก็ว่างเห็นอะไรไม่ชอบเขาก็ว่างเขาเฉยได้นะดังนั้ต้องหาเกว่างให้เจอก่อนวิธีหาเกว่างให้เจอก็คือการเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วก็นั่งหลับตาตามใจให้สงบพอใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วก็จะรู้ล่าเกว่างเป็นอย่างไรรู้ว่าการเข้าเกว่างนี่สบายกว่าการเข้าเกียวเดินหน้าถอยหลัง ต่อไปก็ต่อให้คนเอาเงินล้านมาล่อก็ไม่ไปอยู่เกียวว่างดีกว่าสบายกว่าได้เงินล้านไม่ใช่ว่าจะดีเงินล้านมาก็ต้องมาดูแลรักษามาันแหละเราก็ต้องเอาไปเก็บที่ไหนดีเดี๋ยวคนนั้นมาขอคนนี้มาขอจะทำยังไงวุ่นวายไปกับเงินล้านนะยั น, นต้องหาอุเบกขาให้เจอก่อนพอเจออุเบกขาแล้วขั้นต่อไปก็พยายามรักษาอุเบกขานี้ไว้ไม่ให้มัน หายไปอย่าให้มันออกไปทางทางความโลภแล้วทางความโกรธถ้าขับรถพอ เ, อเกียร์ว่างแล้วก็ไม่ต้องก็อย่าให้มันไปเข้าเกียร์เดินหน้ารถถอยหลังรถมันก็จะจอดสบายคนขับก็ไม่ต้องเหนื่อยถ้ารถมันวิน่งนี้คนขับต้องคอยระมัดระวังคอยจับพวงมาลัยคอยเหยียบเบรกอยู่เรื่อยแต่ถ้ารถจอดปั๊มนี่นอนได้เลย พอเก้าเก ว, ว่าหน้าจอดรถปักก็หลับตานอนได้สบายนี่เก ว, ว่างของใจก็คือเบรคขาการปล่อยวางนี่เอาใจ อ, อ่ะอาวว่าไหมาเราเราที่มีคนบอกว่เาเหมเือนทำอะไรไม่ประสบความสําเร็จที่ขึ้นอยู่กับเวรกรมกรมกรรมแบบไหนทำไมคนนี้เกิดมาตัดจากคนนี้ทําไมนคนนี้จริงๆเรื่องเวรกรรมในครัะพุทธศาสนาไม่เปเรื่องจรินงน มันมีส่วนแต่มันไม่ใช่เป็นองค์ประกอบองค์เดียวความสาเร็จไม่ความสําเร็จนี้ถ้าทําบุญมานี่บางทีบุญมันจะเสริมให้การทําอะไรมันง่ายได้ถ้าไม่มีบุญนี้มันก็จะยากแล้วถ้าทําบาปมามันก็จะมีอุปสรรคมากแต่มันก็ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบองค์เดียวคนที่ทําบุญหรือไม่ทําบุญมาเขายัางสามารถทําความสําเร็จได้ถ้าเขามี ความรู้ความสามารถในการทำงานของเขาหรืออาจจะอยู่ที่องค์ประกอบอันอื่นก็คือฟลุกคือพอดีไปทำถูกถูกถูกกับเหตุการณ์เช่นไปค้าขายเสื้อผ้าในไปไปซื้อเสื้ อ, อหนาวมาในยุคตอนฤดูร้อนแต่พอดีเกิดมีพายุฤดูหนาวเข้ามาในช่วงฤดูร้อนอย่างนี้คนที่มีเสื้อหนาวขายก็จะขายดิบขายดีขึ้นมา แต่ยี่มันเรื่องเป็นความฟลุกเนี่ยอันนี้มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่ทําให้คนสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ได้อยู่ที่บุญกรรมเพียงอย่างเดียวแต่บุญกรรมนี้จะทําให้มันง่ายหรือ ย, ยากก็คนที่ทําบุญมานี่มันง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญคนที่ทําบาปมานี่มันยากกว่าคนที่ไม่ได้ทําบาป ลองบอกว่าอันนี้เป็นบาปเป็นุอย่างาาาาองคุาค่ะนใช่ารได้อันนี้เราจะใช้ว่าว่าองคุลิมานเขามีบุญมากตอนที่เขามีสติมีปัญญาที่สามารถที่จะเห็นโทษของการทำบาปของเขาได้เขาก็เลิกทำทันทีที่บุญมันมีหลายระดับนะ บุญที่เกิดจากการให้ทานก็เป็นบุญระดับหนึ่งบุญที่จะเกิดจากการไม่ทำบาป ก, การรักษาศีลก็เป็นบุญอีกระดับหนึ่งบุญที่เกิดจากสมาธิเกิดจากปัญญาก็อีกระดับหนึ่งมีน้ำหนักไม่เท่ากันมีบุญที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือปัญญาอย่างนี้จะหมายความว่าถ้าเราทำบาปมากแค่ไหนถ้าเราจริญภาวนาได้ก็จะหยุดอย่างี้ ได้ก็องค์กริมาณก็หลุดนะที่จะเจริญได้หรือเปล่า น, นั้นก็ก็ต้องดูไปบางคนทำบาปมามากก็ยิ่งทำบาปต่อไปเพราะโดยหลักแล้วคนที่ชอบทำบาปจะทำบุญยากจะทำความดียากคนที่ชอบทำบุญก็จะยากต่อการทำบาปแต่ถ้ามีปัญญาปัญญาก็อาจจะมาพลิกได้เช่นคนกินเหล้าเมายาหย่อมเป พอเกิดดวงตาเห็นธรรมว่าการกินเหล้าเมายานี่เป็นการทําลายตนเองไม่ได้เป็นการส่งเสริมความสุขความเจริญให้กับตนเองก็อา จ, จะเลิกไปบวชได้ไปบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ก็มีัวยกกบ่เีใช่บางคนก็มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่ก็ไม่ต้องไปทํางานหากิดนายอย่างพระพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ชาติก่อนก่อนที่จะมาเป็นย้าชายศิทธะก็เป็นพระเวชสันดอนมีอะไรก็ให้หมดใครต้องการอะไรขออะไรให้ได้ก็ให้หมดทานบา ร, รมีหายสงสัยแล้วนะอาจารย์ครับติดตามบุคคลอยู่ทั2้2สองสามคนครับซึ่งมีอุปนิสัยคล้ายจะเป็นแนวโพธิสัตว์ครัอาจารย์ แต่บางคนก็ยังมีมานะมากถือตนอว่าตัวเองดีกับเขาแต่บางคนก็ยังยิดในวัตถุมงคลอยู่เนี้ยครับพระอาจารย์เป็นบ่อเหตุหครับพระอาจารย์ก็ยังไม่มีปัญญานั่นเองปัญญาจะเห็นว่าวัตถุมงคลนี้ไม่ใช่เหตุที่จะนำไปสู่าการบุญพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย การถือตัวก็แสดงว่ายังมีความหลงยังไม่เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของตนว่าไม่มีตัวตนนั้นจะแปว่าเขาเป็นโพธิสัตว์ก็คงจะเป็นโพธิสัตว์เริ่มต้นน้องเป็นเหมือนกับเมล็ด เ, เมล็ดพืชที่เราเพิ่งฝังลงไปในดินหรือเพิ่งโผล่ขึ้นมาได้สักครบ่มหนึ่งอย่างนี้ยังไม่ได้เป็นแบบต้นไม้ใหญ่ โพธิสัตว์ก็มีหลายระดับด้วยกันแต่โพธิสัตว์มักจะทําอะไรเด่นเช่นทานก็จะเด่นกับคนอื่นถ้าทําทานก็จะเด่นกับคนอื่นทําอะไรต้องเด่นกับผู้อื่นถึงจะเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ได้ถ้าทําทานแบบธรรมดารักษาศีลแบบธรรมดาทํำลายแบบธรรมดาธรรมดานี้จะไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นโพธิสัตว์อย่างพระเวชสันดรนี้เขาเรียกว่าโพธิสัตว์ทําทานอย่าง สุดๆเนี่ยพระมหาชนกนี่สร้างวิริยะบารมีอย่างสุดๆเนี่ยพระเตมีนี่ก็นิ่งเนี่ยเฉยอุเบกขาอย่างสุดๆเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ซึ่งเราส่วนใหญ่มักจะไปวัดคนแบบตามความรู้สึกนึกคิดของเรามากกว่าตามหลักของความจริงแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เขาจะเป็นโพธิสัตว์หรือไม่เป็นโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นหรือไม่เป็นอยู่ดีเราควรจะมองตัวเราดีกว่าว่าเราเป็นโพธิสัตว์หรือเปล่าเราเป็นสาวกกระพุ่มหรือเปล่าดูตรงนี้อย่าไปมองคนอื่นไม่เกิดประโยชน์อะไรคนอื่นจะดีจะชั่วก็ไม่ได้ทําให้เราดีหรือชั่วตามเขาไปแต่ถ้าเรามองตัวเราเห็นว่าเราชั่วเราจะได้เปลี่ยนได้อย่างองมกุลิมาน พอพระพุทธเจ้าชี้บอกเธอชั่วนะที่เธอฆ่าคนเนี่ยองค์พุรามารเห็นโทษของตนก็ปรับตัวเองได้กลับมาทาดีได้ฉั้นอย่าไปมองคนอื่นเลยเสียเวลาเปล่าๆถ้าจะมองก็มองเพื่อเอามาเป็นแบบฉบับเอาคนนี้ดีเอาตัวอย่างของเขามาคนนี้ไม่ดีอย่าเอาตัวอย่างของเขามาทำเลยถ้าจะดูก็ดูแบบนี้ แสดงว่าโพธิัตว์เนี่ยถ้าเป็นระดับเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรือพรอาจารย์ใช่ก็คนที่เขาอยู่ในประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาที่เป็นทำทานมหาทานก็มีอย่างบิลเกตนี่ความจริงก็เขาก็ทำทานมากเขามีทรัพย์สมบัติเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแต่เงินเก้าสิบเปอร์เซ็นตของเขานี่เขายกให้หมูลนิธิหมด สางบุญในที่เพื่อมาสงเคราะห์โลกมาคิดค้นหายารักษาโาครคภัยไข้เจ็บมาหาวิธีช่วยบรรเทาความทุกข์ความยากเดือดร้อนของคนที่เกิดอยู่ในโลกอยู่ในประเทศที่ได้พัฒนาเนี่ยคนมีใครทําอย่างเขาบ้างเขาเก็บไว้เพียงพอที่จะให้เขาอยู่ใช้อย่างสุขอย่างสบายให้ลูกให้หลานเขาส่วนหนึ่ง เล้วนั้นเขาก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ต้งที่เขายกให้กับมูลนิธิไปอันนี้ก็จะว่าเขาเป็นโพธิสัตว์นะ<ม>ก็ว่าได้เขาก็ทําอย่างที่ไม่มีใครทําเหมือนกับเขาได้แล้วโพธิสัตว์นี้ยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาถ้าเขามาเกิดเป็นชาวพุทธนี่เขาอาจจะทําทานแล้วออกบวชเลยก็ได้แล้วก็บรรลุ เป็นภาษาวลกได้ภายในชาตินี้เลยก็ได้ถ้าเขามีบา ร, รมียังอื่นสนับสนุนทานบา ร, รมีเขามีแล้วเขายินดีที่สละทรัพย์ของเขาได้ถ้าเขามีศีลบารมีมีมีปัญญาบา ร, รมีเขาก็อาจจะไปได้ฟังอัานอย่างชาวต่างประเทศเมื่อกี้เนี่ยที่หลังจากได้สัมผัสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาขึ้นมา ถ้ามันมีพระพุทธยะมีพระพุทธศาสนาอยู่ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างบา ร, รมีซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกนานยาวนี่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็อาศัยบา ร, รมีของพระพุทธเจ้านี่เลยพอจะเข้าใจเลยนะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก็ขอให้ยุติขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านได้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษย์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถิดอาจารย์ครับแสดงว่าโพธิษักที่บาริบาลมีสูงแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้กับผู้ศาสนาใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องไม่จำเป็นหรอเพราะว่าจะยาไม่มีใรรู้ศสา ก็ไม่มีสาสนานรต้องเป็นคนพิสพัถ้ามีผู้กระทำศาสนาก็เป็นสาวรบไปมันยกเป็นข้าหลานไปอย่างล็อมาหนี่ยตอนแรกก็จะเป็นคนพิสพัพอเจอว่าผูกทำศาสนาแบนี้เลยเป็นสาวลบดีกว่าเสียเวลาอาจารย์นะอาจารย์ก็เหมือนโจวนป้าศิก็บริัเงินที่เาแสดงมาทั้งหมดเลยให้กับคุณผู้ชายเลโจว